ตอนพุทธเกษตรวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมสอง2ห้าร้หกสิบสองก็คั้แรกขอบอกคําว่ายินดีตอนรับเนาะพี่น้นองอเดชอุดมแมนมาฮะมาจากเดชอุดมเนาะเออแต่มาจากอิดมเดชอุดมเนี่ตองฮู้จักกำนันตุลสอจอตุล สสตุลเนาะขับเป็นเซี่ยวพ่อคู่แต <c oughs> ่ยินดีเป็นเสียชีวิตไปแล้วก <c oughs> ะมีเวลาสันส้นๆเนาะเอาเดีมื่อพอกันเนี่ยถือว่าเป็นบุญแล้วพ่อคูจะใส่เวลาสันส้นๆเนะนัน่มโตเดี๋ยวว่าเอเพื่อนพาเขามาเบ่งอีหยังมาฟังผูธธ้ไดเวา่าเนาะพ่อคู่เองเกิดอยู่อําเภอเมืองนะเคยเป็นสอจอําเภอเมือง เหตุงานห่วมกันกับกำนันตุนท่านเนี่ยแหละแล้วกัปีสองหกกับสมัครผู้แทนในพรรคเดียวกันกับกำนันตุนเนะาะมาเกินบุญหลายนะ เ, ออเวลานั่นสอบตกอํเาเภอเมืองมาที่หนึ่งเขาเป็นสอจอที่หนึ่งเต้องหาเสียงกับที่หนึ่งแต่อํเาเภอวาลินกับตานสุม่มเขาโมโหจักเข้าเขาบรเลือกเข้าเนี่ยถูกต้องแล้วเนาะพอเขาบรเิเฮตความดีอีกอย่าง ก็เลยมีโอกาสเดินทางไปอเมริกาเพราะว่าแม่กับน้องๆ อ, อยู่เมืองนอกมดมีเฮ้าผู้เดียวโบย่อมไปนะมวนกับเด่นการเมืองเนาะความสุขเกิดจากไปเยี่ยมชาวบ้านไปนอนค้างขึ้นอยู่ตามหมู่บ้านไปกินต้มไก่กันกับมีความสุขพวกพนมีปัญหายังมากกับแลนมหาภูว่าซอยกันนั่นคือความสุขนั่นแหละสามปีเป็นสอจอเนี่ย พอมาลงผููแทนเนี่ยมาที่หนึงทุกตำบลเนาะอดีตีเขาเคยว่าความดีสูงเงินบ่ได้พกครัวมันบ่แมนคนที่เว้านั่นอาจจะบ่ซัวแต่ยังบ่ดีนะแต่เขาดีหลีนี่ใช้บานเพิ่นหูคนเขาบงโกเขาพู้ไรหรอกเนาะอันนี้มแตรว่าวมแต่เว่าว่าตัวเองดีแต่บ่เคยเหตุอย่างเลยเนาะอันนี้พกครูพิสูจนมาแล้วว่าความดีสูงเงินได้แน่นอน สำคัญว่าดีหรีบอนะอันนี้ก็วอาไอ้ฟังแล้วนะพ่อไปเมกาคิดว่าไปหย่ามแม่กับน้องๆเนี่ยเดือนนึงเออจะกลับมาแม่เพ้นห้องให้นะพ้นจะขาดใจนะพ้นมีลูกหาคนพอคู่นี่เป็นผู้ใหญ่อยู่นี่อยู่ดีๆบางๆประเด็นการเมืองสมัยก่อนกับอุบลเขามีเจ้าพ่อเนอะท่านรุ่นเะก่าๆหูวดัดมีเจ้าพ่อเขาจะขาดทิมเหมืองกับวงหูเนอะ นะแม่เป็นกัเป็นห่วงก็เลยถิมทุกอย่างทั้งความดีความสัวที่สร้างไว้นั่นเพื่อสนองคุณแม่ก็ต้องใส่ชีวิตอเมริกานะแปดปีนะนะทุกหลายนะทุกหลายเพราะว่าลึกๆนี่ฮับวมักคือจังข้าไปอาศัยบ้านเพิรยูน่แล่ ะ, ละเห็นว่าละ่ะตื่นเศ้ามากลืมตาปุ๊บก็เห็นพรังผมสีทองๆเออตาสีน้ำเขา่า พนบอกภาษาฝรัง่งเฮากระบอกบ่ชคอยเกง่งต้องนั่งนับหนึ่งไม้มดนอถนนหนทางวัจะทัางโมโหครับแต่เพื่อสนองคุณแม่น่ะจำเป็นต้องอยู่อยู่แบบทุกหลายแปดปีนะที่แรกครอบครัวเขามีหลานอาหารไทยนะพ่อไปปุ๊บกัดซอยกันเฮ็ดซอยกันสัง่งเขาไห่ซีดาวซีดาวแปลว่าเป็นหลานอาหารที่ดีที่สุดที่นี่ ทุกอีกทุกอย่างยางเห็ดเวีย้ยบโบท่านล่าอาหารเขาตรงแลนเห็ดเวียกยังบวเปิดหา้างมันก็ยืนเรี่ยงแถวกันมากินแล้วตั้งแต่เปิดจนจบเนาะเปิดเช็คห้านี่ก็เต็มหมดทุกแล้วนะเห็นแต่เงื่อนขู่มือนะแต่มันถูกนะอล๋ลเราทุกบ่พ่อนะเห็ดล่าอาหารมันเมือใจกาย กังขึ้นนอนรับมันเกิดเศร้าเมื่อยตื่นเศร้ามากกแลนเฮ็ดเวียกอีกเพราะว่าคนมันหลายมันตรงแลนเฮ็ดซ่าแบบบ้านเข้าในโบติกินเนาะเออในครัวนี่ตรงเฮ็ดเร็วๆเพราะว่าคนมันถ่าคิว้วเนาะมีแต่หยังมีแต่เงินเงินแต่บ้านทุกขึ้นก็นหิวถุงเงินมาเมื่อบ้านพอถึงบ้านผมก็ยัดใส่ในตู้นั่งใส่เตียงนั่นแหละนะอาบน้ำแล้วก็นอนเพราะมันเมื่อย อ่เมื่อไกปอ่ปู่พ่อเนาะมูสมัยเก่านั่นเขาเป็นคนไต้หวันมาส้วนเห็ดคอมพิวเตอร์อีกเอาล่ะความอยากของคนนะ่ยมันโมโหจากพ่อก็ไปเห็ดแล้วธุรกิจคอมพิวเตอร์ผลิตคอมพิวเตอร์ขายที่หละขายอยู่ว่าเมกาขายไปขายมาขายไปทั่วโลกทุกอีกเนาะตอนเทาเห็ดเวียก เฮ็ดทางควาหานั่นทุกแต่กายมันบ่าตรงใส่สมองกานคืนนนอนมาตื่นสาวมามันกกาเศร้าก็ไปเฮ็ดอีกแต่พอเห็ดคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนรุ่นใหม่คู่มือคู่มือทั้งโลกนี่ไปแข่งกันถานทาวซ่าของเขาหนึ่งเก้านี่ยหมายถึงเป็นเศษขยะ้าเรียกว่าเขาคึงเก้าเนี่ยเงื่อนมหาศารทุกบ่พอพอควอยาของเฮ้าเนี่ย ไปทุกเติมไปทุกเติมนะมีแต่เงินเป็นกระสอบกระสอบเงินดอลลาร์เนาะบ่มีแห้งจนไปจัดการเรื่องเงินเนาะที่นี่ยัดไว้ในบ้านซักแม่งสาบหรือจะเป็นโตอย่างเป็นหนูอย่างล่ะเนาะไปกัดกินเงินแล้วมันเหม็นหลทุกอีก โบได้ดูถูงเงินเนะ๊โบได้เหม็นเงินแต่เงินนี่มันเหม็นหลายขอท่านกัจจับเทเขยกะกัจจับล่างถวยล่างจานกัจจับเศรษฐีกัจจับเห็นบอกพวกท่านนันท่าน่้ า, าน่นสมัยก่อนเอาเมื่อนับเงิน่เป็นมะเร็งหมดตอนนี้มันยังมีเครื่องวัดอยู่แล้วเครื่องนับอยู่เนี่ยนะเขาอยากได้เงินไงเขาอยากรวยไงมันก็รวยยี่หลีแต่หาความสุขโบพอ หาความสุขอพอหรือว่านางอยู่นี่ผูใ้ใดเห็นความสุขแล้วเนี่บอกพก็คู่บังเขาวาดออกมาได้บ่ให้ดินสอเนาะ ใ, ให้กระดาษว่าตัวความสุขออกมาเบังมันมีเจแขนมันมีเจาขามันแต่งสุดสีอีหยังมันเป็นจจงใดทุกคนคือต้องอยากได้มัน่นวาดได้วาดได้บ่เคยเห็นความสุขหรือยัง เขาโมูหมันคืออยียงเราแกล้งตามมันตั้งแต่หน่อยพ่อแม่สอนว่าลูกเฮี้ยนเก่งๆเ้อแล้วก็หาเงินได้หลายเมื่อรุวยเราจะมีความสุขโอ้ยขยันหลายซื่อสัตว์สี่สิบปีแลนไปตามโลกและมันรุวยอีหลีเงินเต็มบ้านจะซื้ อ, อยังกระไดรถลนี่ๆออกมาไมา่หนีจองล่วงนาบ่เป็นขั้นแรกกับขั้นที่สองล่ะซื่อก่อน ดีใจอยู่สองมือมันออกรุ่นใหมอ่อีกอสู่เขาบ่ได้อีกแล้วเขาคิดว่าเขามันสุขมันได้สาใจได้ดังใจบอกสุขอ่ามีหมอผู้หนึงย ม, มุกอาหานนึ่งขับรถเบนซ์มาอยู่นี่พอคู่ถามว่าหมอซื้ซอรถเบนซ์ทำไมพลว่ามันดีพอคู่บอกขี่ตัวมันดีอย่างไรมันแพง เห็นเมื่อกี้นี่หมอไปซื้อของแม่ค้านี่ต่อเอาต่อเอาแสดงว่าหมอบอชอบแพ่งมันบอกลดเม็ดบริเวณมันแพงคือว่ามันดีเราไม่ยอมแพ้เด้เราบอกว่ามันทนขีดตัวอีกรดหมอเนี่ยไปเปลี่ยนรถกระบะเด้อทั้งสิบขั้นเพราะาห้องมักมันม า, เากเพราะว่ามันดีบอกเด็กน่อยเด็กหน่อยมะ น, นี่เอาคัตเตอร์เอามีดมาให้พอคู่เนี่เอามาเห็ดยังกรีดรถหมอให้พอคู่เบิ้งเบิ้งย่างโกีดหมอก็ทุกระ ย, ยาได้ ย, ยาเด้ ถ้าจีดรถคุณหมอเนี่ยถามว่ารถมันเจ็บบอรถบัเจ็บไผ่เจ็บหมอเจ็บมันเนี่ยจะเฮาเจ็บมันดีจงดังไดทุกวันนี้สื่อรถสื่อล่าเนี่มาล่างเศ้าล่างเยน็นฮักแห้งแห้งกูลูกหลานอีกผู้ดใดแต่หนึ่งกับผู้ใดมันดีอย่างไดไม่ให้แ็นเฮาเรถถูกนี่แหละคือวัตถุนิยมเมื่อเฮาหลงมันแล้วเฮากลัวมันดีแล้วทุกคนก็ไปทุก ทำงานเงือไหลไข่ ย, ย่อยก็ไปซื่อไอ้พวกเศษเล็กพวกนี้เนี่ยมันเป็นพระเจา้าเมื่อเป็นพอมาเป็นแม่พอคู่ว่าได้พอพะคู่ผ่านมาแล้วเงินเต็มบ้านถ้าหาความชุกบ่พอนะแต่สามสิบปีที่มาอยู่เนี่ยพ่อแล้วผู้ได้เห็นในพระคู่ทุกก์กเบไดนะพระคู่เบิกบานคุมือ ตอนโยเมกาเงินเต็มบ้านลูกค้าทั่วโลกทุกพ่อหยังย่าตมันบริจาเงินเฮ้าญานเขาจับไปเรียกคาไทยญานขโมยเขาบ้างโบมีความหมันคงเลย่ญานยญานิญา น, านสมุติเขาสางตึ้อขืนมานี่สิบสั้นเนอเมย์ไหลายลงไปนอนคางๆมันมีรอยสัน้นนอนไว้ได้อีกย่านสู่มันบะไร่านมันดูถูกเฮ้าเมนบะเออขืนมาสางต่อ สางถึงเก่าซึบเก่าสัน้นมดแห้งเขาต้มโมมีแห้งแล้วตายกับโบล่งเพราะว่าอีกแค่สั้นเดียวตายบาย่ได้เห็นไหแต่มันบมมีแห้งเหตุยังไงทูกอีกเอิญลูกเอินห ล, นลานมาสางต่อญาติมันบมทุกคือเฮ้าอิสฉาลูกบอกเห็นไหมญาติบมทุกคือเฮ้าบางเทีาสางไปเห็นงั้นก็บโมหัวเด้มือหนึ่งเขานอนเท่าไหร เนี่ยสองตะล่างเม็ดเกินเหลือเฟื่อแล้วอันนี้สางสางสางสามบางไงก็ต้องไปเสียเวลาเห็ดคว่ำสะอาดมันไปนั่งเฝอาบไฮขมุ่อยเข่าบ้านสร้างเฮือนก็ไปนั่งเฝาเฮือนเออขมุยเข่าบ้านก็ไปทุกอีกสามสิบปีมาอยู่นี่พี่น้องเมื่อกี้ขามาเดี๋ยวห่อผ้าย่างเนาะแต่ห่อามาเสียเวลาไม่แต่นึงนาทีเขาต้องหูวว่ามาเสียเวลาเห็ดหนัง มืฟังผู้ใดวาวกระบองู้ผีบ้าย่ใสเวากระบองู้นะพอคูก็ได้เกินๆินใ่ฟังว่านี่ผีบ้าคนนี้มันเป็นไผเนาะเห็นมาหมดแล้วสูบยามื่อหนึ่งสามสี่ซองกินเหลาทุกยีห่ห้อนะสมัยก่อนอยู่ บ, บนนี่มีโรงงานเอ่องสีไทยสั้นพอนมีโรงงานไอติมแพนดา้ามีรถทั่วสหายทั่วพอคู่เป็นคนแหลกๆในเมืองไทยเนี่เปิดรถทั่ว เกือบแรกๆเลยล่ะซิ บ, บริษัทอ่าตอนนั้นเขาก็ะดาว่าพกู้บาตอนนี้รถทั่วมันมันเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นบหคือคือห้าวหลงล่ะเขาสอนห้าวไงเฮ็นเก่งๆหาเงินหลาย ๆ, ๆเมื่อรวยเราจะมีความสุขที่นี่มันรวยแล้วมันหาความสุขบ่พอเจ็ดแปดปีนั่นทุกข์หลายทุกข์เพราะว่ามันหาความสุข บ, บ่พอบ่แมนทุกโปรโมมีมจะกินเงื้อเงินเหลือหล่น เราไปทุกข์มันอีกตัวเองบวชอดบวชเย่าไปเบิงแย่งเงินก็ยญานเขามาลักเงินตัวเองน้อยัวเมกาเนี่ยเอาเงื่อนสดไปใส่ธนาคารเกินหมื่นเหรียญ น, นะเดี๋ยวธนาคารแจ้งสัมปรกรณ์ไออาเ อ, อสินมันมาตรวจแล้วเงินเจ้ามาจากใสเป็นปัญหาอีกบวนมีเงินแล้วก็ดีเด้นั่นแหะพอคู่ไปทุกข์เพราะวา่าอยากได้เงินก็ได้เงิ่อนแล้วแต่หาความสุขบวพอนะานี่ประสบการณ์จริงเมื่อ เขาบอ่เออันนี้สาราอีอย่างเนาะเอาเป็ว่าอันนี้เรียกว่าศูนย์จิตใจนะเขามีศูนย์จิตใจนะอยู่ในมอดบริหารด้วยมู่ลนิธิเพื่อปูดอยโอกาสศูนย์พลัานค่อยมีศูนย์จิตใจศูนย์สมองเขามีโรงเรียนสามโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนหนึ่งมีถึงป .6 อ, อยู่ด้านเมนใกล้ๆช่องเม็กนะีมีถึงม .6 แล้วก็มีนรงเรียนอาชีวะน้ำเนาะฟรีหมดมีรถรับส่งจะถึงนาบ้านนะสมสิบหมู่บ้านไปส่งนะส่งไปส่งมามีเด็กหน่อยอยู่ประจำแต่ที่ผ่านมาสองปีกว่าเด็กหน่อยอยู่ประจำนานห้องตรงให้บวชเน้นบวชชี้ถวายในหลวงราชการที่เก้านะตอนตอนนี้พ้นจากไปแล้วนะเมษาเนี่จะให้ซึกหมด แล้วก็ไม่เป็นแค่เบนจ์จะสินเบนจ์จะทำนะแล้วก็อยู่เหี้ยนประจํานะฟรีโมดนะเพราะคู่ไม่เห็นความสุขอยู่นี่ความสุขบมเมนการใดการเอาความสุขคือการให้เห็นบ่กเขาไปเฮ็ดบุญแเราคือเขามีความสุขนั่นแหละเมื่อพ่อความสุขอยู่นี่สามสิบปีผู้ใดเหตุใดเพราะคู่ถูกกับบไวใดมันถูกบัเป็นเนาะ ความสุขติดแท้จริงโ บ, บมีการใ ด, ดยกจะยางวางมือนีข่อยจะไปหาเงินพันบาทตื่นเศร้าขึ้นมาเป็นรับจ้างเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจนผ้าชิดตกดินเมื่อแล้วคบคิดหา่านหมดแล้วได้แค่แปดรอยทุกมันบดีตรงเป่าครับบ้านก็ทุกเด้่อยากได้พันหนึง่งมาได้แปดรอยอีกผู้หนึ่งไป็นยางเหรียญซื่อๆนี่บดิเวงอย่างเลยไปเก็บเงินได้ร้อยบาทเดียโอ้ยมีความสุขหลาย คนใดรอยบาทมีความสุขคนใดแปดรอยทุกข์เพราะามันอยากได้พันหนึ่งนพี่น้องไม่เห็นเน่เดี๋ยวไปยางเบิงนะสามสิปีก่อนเป็นปลาบบวันหนีจากเมืองนอกมาอยู่บ้านนอกเดหมู่บ้านใหญ่ทั้งพุทนบ่มีสะพานขามมากรถขามาบาบะไรพบู้นางเหือ่อขามมาจากเคินสิลินทอนนะมาอยู่นี่สิบเอ็ดปีบ่มีไฟฟ้า จนสางมาจนเป็นแบบนี้นะบอกอย่างที่ฮี่ยังบอกให้เพื่อให้พี่น้องเนี่ยกล้าคิดกล้าสู้เอ้ยม่ได้หรอกบางคนมาเบืองงานอยู่นี่นะแมนแล้วเพิ่นมีแม่นแล้วอย่าบอกข้ามนี่มันจะบอกเห็นบริการพัฒนาแต่ว่าสร้างขี่เนี่ยย่าไปขี่ตามสร้างเนาะย่าไปเปรียบเทียบเขาเฮ็ดตามกำลังถี่เฮามีแล้วสุดท้ายเนี่ย เดี๋ยวมันก็มีเองเนาะเอาเป็นว่าศูนย์นี่มีอยู่สามศูนย์นี่คือเรียกว่าศูนย์จิตใจมีสำนักสงฆ์อยู่ข้างล่างดนนั้นมีสาราพระนะแล้วก็มีเน่นที่พักเน่นคุณนมปชี้ อ, อยู่ทั้งลุมนั้นนะญาติโยมอยู่ทั้งนอกเขาอยู่กันแบบครอบครั้วใหญ่กินเข่าหม้อเดียวกันสมัยพ่อครูนี่ลุยบนนรรณกยยาจะเลี้ยงพระเก้าลูกนี่เป็นเรื่องใหญ่โมมีเวลาโมมีเวลา ยูนีเลี่ยงพระเน้นชี่นักเลียนมือหนึ่งเฉลียหนึ่งพันคนหนึ่งพันตอนเปิดเทอมนั่นแหละทุ่มือกวันจันทร์ถึงสุกเนาะส่วนเสาร์อาทิตย์นี่อาจจะเลี่ยงสองสามรอยคนคนที่อยู่ประจำตรง น, นี้ทั้งพระเน้นชีอยู่นี่ลอยก็รู้ <c oughs> นี่คือความสุข ความสุขเกิดจากการไห้บ่แมนการใดได้มากบ่พ่อใจก็ทุกเนี่ยอยากได้พันหนึ่งได้แปดร้อยกระทุกนี่คือความอยาก <c oughs> อยากคือที่มากของทุก <c oughs> บางคนแย่งแย่งพอคู่แย่งว่าบ่อยากแค่เจนหยังแม่บ่รับคิดอยู่ในใจเนี่ย เพราะว่าอยากคือที่มาของทุกกิเลียนมันถามว่าบอยากเหตุเห็นอย่างป้าอยากหายใจบ่อยากบ่แม่บ่หายใจนี่เพราะความอยากบ่เฮ้ยถ้าขี้ขั้นถ้าหายอยากมากมันหยุดหายใจบ่มันไม่ได้อยากเกิดมาพอแม่ทรงเขาไปเช่นวิชาหายใจบ่บ่มันคือหายใจเป็นนั่นคือธรรมะมันบ่ได้เหตุเพราะความอยาก เขาต้องกินเขาต้องนอนเขาต้องมีตอยูทีกินเขาต้องหายใจนี่มเมนเฮ็ดมอยากเพราะมันเป็นหนาทีทายเฮ็ดปกมอยากปุ๊บนี่ยเขาจะทุกข์อยากไดพันใดแปดลอยก็ทุกข์แหะเห็นไ่พระพุทธเจ้าพ้นบริวายังผิดนั่งอยู่นี่พรครูว่าเกือบรเก่าว่าเปอร์เซ็นต์นับถือพระพุทธเจ้าน่ละวพ้นมมือวายพ้นคมมือจะว่าเขาฟังเพนบ่เขาเสือเพนบ่อบ่ ไปใสไปเอาบุญเนาะเอากระตาไปในวัดเนี่ยเขาก็ไปเอาบุญไปรับศีลเนีาก็ให้ศีลเทาเนาะเพิ่นมีศีลดังสองลอยกว่าเพิ่นแบงเขาศีลหาเนาะแบกศีลแบกบุญกลับไปบ้านพอไปฮอดสีแยกหมู่บ้านให้เซี่ยวมะนีนะเป็นเป็นเซเว่นในหมู่บ้านเนาะอ้าวมาเอาเรามาขวดนึงนะเมื่อกี้แบกศีลหา嘛หายไปศีลนึงเออแล้วอยูี่ศีลกันยังดีไหมหบอเออ กินขวดหนึ่งมากกาลังติดลมปึ๊บยังมีเงื่อนใจเด้พอขวดสองมาปุ๊บแปรโป่งแปะโป่ ง, ปปงข้างไว้ก่อนพอเมามาบางทีมูตีเซียวเซียวตีมูนะเมากันตีกันนะ่ะกลับไปบ้านเมียถามหาเงินว่ามึงจะเก่งเด้ตบเมียอีกอผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วนั่นแหละความสุขเขา้าเวลามันเมาเวลามันบวชตรงคิดนะสุขหลายนะแต่มันหยุดคิดว่าไรต้องเอาเหล่าไปมอมมัน ทั้งเสียเงินพอ่อเสียร่างกายเสียมูเสียครอบครัวเพราะคู่เข้าใจทีว่าได้เนี่ยเพราะว่าผ่านมาแล้วนะ ท, นท่นทีจะหาเงินให้เงินมันอยู่กับเฮาถ้าเฮาหักเงินนะได้เงินมากปุ๊บเอาไว้บนหิ่งพระนั่นวายมันคุมมือเนี่ยฮะยกใจวางฝากธนาคารไว้มันก็ออกลกูออกร้านในเฮาพอเฮาหักมันก็ยุ่นมาเฮาแต่ตอนทุกมือ น, นี่เฮาไม่ได้หักเงิน เขาสร้างมันหลายเลยได้เงินมากเวียงทิมหมดอยากมันอยู่น้าเข้าขามขึ้นเสําทํางานมาสามสิบมือใส่มันหมดมือเดียวพอเขาสร้างมันมันก็บปอยู่น้าเข้าไงถ้าหัวหักขึ้นมันก็อยู่น้าเข้านะกอดมันไหวเอามันไหววายมันคุ้มมือเลยนะมันก็ออกลู่ออกเต่าสมัยก่อนเขาบได้หักขึ้นเขาอยากได้เงินแต่เงินมาเวียงถิม ไปสูบยาไปกินเหล่าไปเห่นการพานันไปเห็ดมาล่ำมาลอยแล้วมันสิงเงินมันจะไปอยู่น้ำเข้าไงแสดงว่าเข้าบริยุหักเงินอ่าเ้าหักมันอยู่หลีนี่มันก็อยู่น้ำเข้ามันก็หักเข้านอออันนี้คือประสบการณ์จริงนะแล้วก็มาอยู่นี่เป็นปลาเป็นดงมีแต่หยาค่ามีแต่ยังเต็มไปหมดไฟฟ้ากับโบมี่สามสิบปีผ่านไป เดี๋ยวพี่น้องมีโอกาสไปางานชมเบิงเนาะอันนี้มันเกิดจากอย่างเทวดายนไม่เฮ้าบอโบอแมนเกิดมาจากเข้าสางเฮ้าบอได้เอาเงินไปเห็ดมะลัมมะลอยเขาเอาเงินมาสางสันแล้วตอนนี้เขามีเงืนเหลือเฟือเพื่อจะเลี้ยงเด็กหน่อยอยากจนอยู่น้ำเฮ้าเนี่ยเป็นพันคนสมัยกย่อนลวยสื่อเงินอนลายหลายเกเอินว่าคนลวยแต่โบมีส่วนเกินที่จะแบ่งปัน มันบริเวเป็นเศรษฐีเศรษฐีต้องมีเศษส่วนเกินเพื่อจะแบ่งปันเนี่ยสาิปีเนี่ยพวกคู่การประกาศใหญ่ๆเลยว่าพวกคู่เนี่ยเศรษฐีตัวจริงสมัยก่อนเป็นแค่คนรวยคนรวยอยู่เมืองไทยมีลายหลายแต่เศรษฐีบบคอยมีมันหอบใส่โตมันหมดนะจนคนจนโมมีจะกินนั่นแหะสังคมบมมีคุณธรรมและเป็นยังเขาเป็นเกษตรกรสบกคิดได้ยังไง ถ้ามาฟังอยังกับบอฮู้บอเกลูก็ ก, การเกษตรเลยนี่แหละเกษตรในใจต้องสร้างเกษตรในใจเฮาก่อนทำเกษตรนี่บ่เป็นเตรียมดินเน๊บ่เป็นเตรียมเงินทุนเน๊บ่เป็นเตรียมเครื่องมือเน๊ะต้องเตรียมใจก่อนแต่เขาบอกเขาใจชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะเหตุบ่สําเร็จเนี่ยเกษตรเขาเรียกว่าพุทธเกษตร <c oughs> เพาต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตมันคืออย่าง อันนี้เขาบอเข้าใจเขาเอ า, าชีวิตต้อไปทุกทุกๆทกทกไปปลูกมัน่นไปให้คนรวยเขารวยขึนเกษตรดินมันเสียพราะคู่มาใหม่ใมดินแถวเนี่ยมันก็ยังดีอยู่ปลูกมัน่นบ่ต้องใส่ปุ๋ยมันรอพี่น้องตอนนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยมันกับใบใหญ่ละเอามันก็ดูซับอาหารในดินไปหมดอ่ะถ้าบ่าใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยมันก็ปลูกบ่ได้อ่ที่นี่ต้องมาแบกแ ล, ละพะระค่าปุ๋ยนํเเาเกษตรกรเท่านี่เป็นอาชีพที ยิ่งใหญ่ที่สุดคื อ, อยังหัววะนะเป็นอาชีพที่ตั้งราคาขายเองบ่อใดเขาหยาดหัวเหมื่อยด้เอาของไปขายเขาก็คิดราคาให้เขาเลยเดียบร่อยไปซื้อปุ๋ยเขาก็คิดราคาให้เขาเห็นว่เป็นอาชีพที่เขาตั้งราคาขายเองบ่อใดมาแล้วมันสะดีขึ้นได้ยังไงพี่น้องมัมีทางพอคู่ล่องเมืหมดแล้วล่องเมื่อหมดแล้วสุดไทย เฮ็ดเกษตรได้อย่างได้เฮ็ดได้เฮ็ดมันเฮ็ดแล้วมันขาดทุนไงเขาบวคิดค่าแรงตัวเองเนาะคิดว่าค่าไถแค่นี้ค่าปุ๋ยแค่นี้เอาไปขายเราได้ซํานี่เลเขาต้องอยู่ต้องกินบ่มันค่าใช้จ่ายบ่ยังเขาสื่อรถไถมากบ่มีน้ํามันมันจะไถได้บ่เนี่ยแหละเฮ้าบ่เด้คํานวณต้นทุนเฮ้ายี่หลีเฮ้าเฮ็ดขาดทุนตลอดบ่บ่มีแม้ตึอย่างได้กําไรถ้าเฮ้าคิดตามหลัก วิชาการที่เขาสอนมีหยัางกับวิชาการวิชาการเนาะแต่ปลอยให้เกษตรกรเท่าอยู่ตามลําพังเนาะที่นี่เฮ็ดจังไดนั่นแหะพี่น้องเมา่นี่พ่อกู้ดีใจเด้ดีใจกว่าเห็นกว่าพี่น้องนี่ไปถูกละวันทีหนึ่งหาใบซิบใบเด้เดี๋ยวมันใดมาเดี๋ยวมันกรหมดตอนมามีเงินมากคอยฮักเจ้าเจ้าฮักคอยคอยเข้าใจเจ้าเจ้าเข้าใจ่อยคอยเห็นใจเจ้าเจ้าเห็นใจคอย ่อยซอยเหลือเจ้าจอยซอยเหลือคอยพอมีเงินมาคนยุคบุนีฉลาดเด้เขาหูวว่าการไปกา ร, การครบสู้เนาะควบสู้เนี่ยมันผิดศีลเน้เขาบ่กควบสู้ทุกบุนีเขาเขาไปควบกิกนะมันไม่มีกิกมันโมน ม, มีสู้ที่นี่ผัวไปทางเมียไปทางบัดเน่แล้วแล้วจะมาหาเงินไม่แยากทางกระเทศจังนี่คือวัตถุนิยมเขาบ่กเขาใจชีวิตเขาคิดว่ามีเงินแล้วก็จบ ทีนึ่งเงืนเป็นไงล่ะผัวจะขายสิบอบาทเมียจะขายสิบสองเขียงกันพอเงืนบาดเด่งบวมองหนากันสามมือ <c oughs> แต่ถามว่าถามว่าเจ้าชะหาเงินมาพิสกันเห็ดหยังบวแหวนเงินบวมตรงหาเด้แต่ถาเขาเป็นเกษตรก ร, ร, กรที่ช่างฉลาดเนี่ยบวมตรงมีเงินกับบาตายพี่น้องพวกคุณกลับมาจากกรุงเทพสองมือนี่นะพอมาถึงองบุบลปุ๊บเนี่ยมันหลงเลยพวกคูยุยเจ็ดมือเนี่เกือบตายเลย เมื่อแหลกล่งเครื่องบินดอนเมืองเนี่น้ำมูกก็ไหลแล้วเห็นว่าม้อนผ้าวามันหลาเนี่ยธรรมาชาติมันจะลังเอาน้ำมูกมาป้องกันในฝุ่นนะ่ะนะเกือบตายเจ็ดมือนะ่ะแต่มันตายบ่ได้เพราะว่าเขาเชิญไปบรรยายสามสามแห่งนะเว้าอยู่เจ็ดมือเนาะอดทษเอานะเพราะเขาคืนเครื่องมากมาถึงอุบวนปุ๊บมันโล่งเนี่ก็ยังติดอยู่นิดหน่อ ย, อยต้องกินนนะ้ำกรุงเทพเนี่ยถามว่าเจ้าหาเงินมาเห็นอย่าง ดมเลือดนีสานมาเล่งเนียหาเงินมารักษาโลกเพราะเขาบอกเข่าใจชีวิตถ้าเข่าใจชีวิตพี่น้องไปยังบันปลาชีวิตพกคู่เลือกอาชีพเกษตรกรรมพ่อแ ม, อม่กาพกคู่เศร้าหาเงินแล้วมันต้องอยู่ต้องกินไงมาสั่งปัจจัยซีเดียตัวเขาเองนะปัจจัยซีต้องมีอาหาร เครื่องหนึ่งหฮมทียู่อาร์สายยารักษาโรคยารักษาโรคสมัยโบราณเนี่ยมาจากสมุนไพ่ทุกโมนี่ซื้อยาฝรั่งกินกินไปได้หลายก็มีสารตกข้างมาเล้งทียูอาศัยบ้านมาจากสาสมัยโบราณเขาก็เลื่อยไม่เอามาปลูกบ้านไงมาจากภาคเกษตรหมดบว์เอาเครื่องยนต์มาเลื่อยลรลุ่ยไปขายเห็นไดทุนมันลวยขึ้นเขาค่อยๆเลื่อยค่อยๆเลื่อ ย, อ ย, อ ย, อยอต้นยืน่นมันก็้ใหญ่ขึ้นโบว์มีมือหมดเนี่ย ที่อยู่อาศัยก็มาจากภาคการเกษตรอาหารเนี่ยผต้องพูดถึงเลยเขามันมันตกมาจากฟ้าบ่เขาจะปลูกอาอยุนีน่นภาคการเกษตรพืชพักภาคการเกษตรเห็นบ่ยารักษาโรค ก, กับสมุนไพรยู่ภาคกเกษตรมดทากเกษตรกรอเท่าเขาใจชีวิตแล้วเนี่ยเขามาเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดทานเนี่ยเขาจะมันคงที่สุดถึงจะบ่มีเงินกับมันคงฟังนะพี่น้อง พอคู่หลังจากมันระเบิดยูเมกาณ์นังสมาธิสามชั่วโมงมันระเบิดปุ๊บเห็นหมดน้ำท่วมมดนะต่อไปคนนี่ต้องทต่งชุดแบบไดนแต่งชุดประดานาฟลูกใส่ออกซิเจนห้อยๆทั้งหลังนะเริ่มเห็นแล้ววันที่สิเจ็นี่พ่เอกเปรม น, นี่พ่นไปใสซิสจุงเทปใสออกซิเจนไปเพราะกรุงเทปมีอยู่บ่ได้แล้วต่อไปต้องสื่อออกซิเจนนี่คือฝีมือมนุษย์ มันอยากจะเลื่อเนี่ยเจ้า ก, กระซื้อรถคอยกระซื้อรถเจ้า ก, กระสางโลงงานา ก, กระสางโลงงานปล่อยม่นผ้าวาขึ้นไปตอนนี้เขาก็สูดม่นผิดเข้าไปหาเงินมารักษามาเล่งสมัยพ่อกูเด็กหน่อยเนี่ยมาเล่งน่อยหลายคนจะเป็นคนอายุหลายตอนนี้เด็กหน่อยก็เป็นอาหารก็มีผิดอ่ะพ่อคู่มาใหม่ๆตรงนี้ปลูกแตงโมปลูกแฝงเนี่ยฉีดกันวาเรนพ่อคูอยู่บะไรมันสิตายอ๋อ เขาบอกโบชีดได้ยังไงลงทุนแล้วคาไถ่สื่อมเมล็ดพันธุ์ก็แพร่งแม่บ่กล่ะแม่งมันมาถ้าโบฉีดก็โบได้กินอา้าวก็ไปเสียงเงินสื่อยามาฉีดอีกฉีดไปฉีดมาตัวเองกระดมเข้าไปเอาไปขายให้พคนกินมะเร็งอีกอันนี้บาปนี่พี่น้องข่ามะเร็งนี่ก็ บ, บาปตั้งแต่เมื่อแรกแล้วมันจะรวยได้จังไงมันจะชีวิตจะดีได้ยังไงอันนี้ข่าสัตว์ นะเอาไปขายเขาเนี่ก็ไป่าเขาทางอ่องแม่ย่าิพ่อคูตอนเพิ่งยังบ่ตายนะนะพ่อคู่ดึงมาห่วงกันหมดเนี่ยแหละเป็นครอบโคัวใหญ่ดินไฮแหลมท้องเนี่ยสมัยก่อนมันบ่มีสร ป, ประกอบหรอกพ่อคู่มาอยู่ตั้งแต่สอ ป, ประกอบเงบ่เกิดพอเขาเกิดแล้วก็สร ป, ประกอก็ดีพ่อคู่มากหลายห้ามซื้อห้ามขายแหละดีนะครอบโค้งใหญ่เนี่ย เนี่ยเป็นของเฮ้าต้องรักษามันไว้เมื่อสางประโยชน์ห้ามขายทุกคนมีลูกแครบวกเกินสองคนต้องคุ้มเด้เพราะว่าที่ดินมันมีจํากัดพี่น้องครับโลกทุกมืดมีเจ็ดพันล้านคนอีกเศ้าปีทั้งหนามันจะกลายเป็นเก่าพันล้านคนที่ดินทํากินมีจํากัดมนุษย์เท่าจะเฮ็ดจังไหนบอล ม, มีจํากัดเด้ที่ดินทํากินเขาเกาะเพ็รสนามเกาะเพ็รโรงงานเนี่ยมันแห้งหน่อยลงกว่าเกา่าเผาเฮ็ดแบบเก่าเนี่มนุษย์นี่บ่ ม, มีจะกิน ดินนี่ตัวนี้อยุนิบุนไหมเอาล่ะสประกอบกันพอคู่ยินดีถามบ่นว่าเอาล่ะเขียนลงไปในสอประกอบได้ว่าอันนี้ศูนย์พระน่านคอยบได้เขียนลงไปเลยบริเวณของไผ่ของโลกของจักรวาลของบ้านเมืองของทุกคนแต่เฮาอยู่นี่เฮาก็ใส่ประโยชน์มันสางประโยชน์มาสางคนนะเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุ่มชนดีเด่นปีสีสองแห่งชาตินะเฮาก็ใส่ประโยชน์เฮาตายไปแล้วเนี่ยเยาว่าจะเอาดินเลยเนาะ ขี่ฟุตเม็ดหนึ่งเขาไปว่าไรมันบอมันโมแมนของไผ่มาดูเท่าขี่ตัววันนี้ดินข่อยดินเจ้าบาปเด้เป็นหลักของธรรมชาติเป็นของเท่านีนบาปอา๋อดินข่อยพราเขาบริยูเฮือนสามมือเขาอ้อมหัวเขาไมา้อีกแค่ฟุดหนึ่งกูจะตายกูจะขามึ่อเห็นว่ามันถูกแล้วพอดินข่อ ย, อยงไงมันโมแมนดินเท่า มันดินของธรรมชาติแต่ว่าเขาอยู่แล้วเขาใส่มันทําประโยชน์น่ะแหละเขาได้บุญที่น่องน่องเดี๋ยวพี่น่องอยางไปเบิงนะครับมีโครงการนี่ยเขาบอกว่ากเกษตรซีชุดนุดศเดี๋ยวซีุดศนี่ก็เพิ่มหาชุดศูนเดี๋ยวมันเพิ่มผลมันมัมีมือสิ้นสุดเขาก็แล่นตามมันตามแปลว่าโบท่านพรอพูดตามโลกไปถึงอเมริกาประเทศใหญ่เียสุดในโลกเนาะเศรษฐกิจเดีสุดเนาะมันออก รุ่นใหม่คุ่ ม, มือตามไปว่าน์ท่านตามไปวาฒาเขาเป็นไทยดีๆไทยไปว่าอิสระแต่ความอยากขเขาเห็ดเหีเยาไปเป็นทาเขาบพ่อใจในความเป็นไทยให้พ่อพ่อใจในความเป็นเกษตรกรถ้าเป็นเกษตรกรชาญฉลาดเนี่ยเขาจะมีความสุขพ่อแม่ลูกเจอกันหน้าตาคุ่ ม, มือนะเออซอยกันเห็ด กินเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดท่านมีเวลาไปวัดไปเห็ดบุญสางอาลยทรัพย์ไปกินยานหน้าโคตชาตินี่เนี่ยคือเศรษฐีทุกมืินนี่ไปกู้หนี้ยืมสินไปเอาเงินมานาคตรมาใส่ญานเขามาคอประตูบ้านพ่อครูมากพ่อคู่ไมย่ยุนี่สามที่ปีก่อนท่านกรบพี่นองท่านนะตายไปหลายคนแล้วล่นะพ่ อ, อยุนี่อยากกินปลาล่องน้ำเขื่อน โบต้องซื้ออ่อยากกินนอไม่อยากกินเห็ทกับเข่าปลาอาหารธรรมชาติเต็มไปหมดเลยโบต้องมีเงินกับมันคงมันคงอย่างไดโบมีเงินเอาไปยังตอนที่มีเงินพอคู่บมันคงเลยเพราะว่ามันมีหลายกว่าเฮาญานเขามาแย่งเงินเฮาญาณมันมาลักเงินเฮาอีกโบเคยรู้สึกมันคงนอนบ่หลับแต่สามสิบปีเนี่ยนอนหลับผู้มือพี่น้องโบมีรั้วรอบขอบชิดเน้ยไผ่จะเข่าจะออกก็ได้ โบมีของหายไม่แต่หนึ่งชิน้นเสื้อบอถ้าเสืออ้อผ้าคู่ก็บบ่าเด้มันหายคู่มือแล้วต่โบแมนของโบคู่ไงโบแมนของเขาเขาจะเข า, เขาจะทุกข์เห็นหนังหม่นคงเขามีอยู่แหละยังจกขึ้นไปแจกเขาอยู่เนี่ยเ ข, เขายืมมาเขาเอาไปใส่นี่ก็ดีแล้วไงเขาได้บุญนี่หม่นคงโบแมนตรงมีก่อนค่อยหม่นคงเด้มีแล้วมาหม่นคงย่านว่ามันจะสูญไป ทั้งหมดคือเขาบ่กเขาใจชีวิตนั่นแหละจะเหตุการเกษตรทายเศรษฐกิจสำเร็จเนี่ยบ่มันเตรียมดินบ่มันเตรียมเงื่อนทุนบ่มันเตรียมเทคโนโลยีเตรียมใจก่อนให้มานาังเขาใจว่าชีวิตคืออีหยังความหักคืออีหยังคอยหักลูกหักเมียงไงคอยถึงถิ่มลูกถิ่มเมียไปทํางานไงเขาเขอใจว่าเขาไม่ีเงินปุ๊บลูกเมียก็มีจะกินไงคอยก็คิดจึงเจ้าเจ้าก็คิดถึงคอยคิดไปคิดมานั่นนั่นเนาะมันเหงา ก็ไปเมี่มเมี่ยมมาไงเนี่ยมันหากันแบบนั่นไงแต่อยู่น้ากันเนี่ยมีขันียยปั่นหนึ่งคอยแบงเจ้าเจ้าแบงคอยคอยฮักเจ้าเจ้าฮักคอยเนี่ยฮักกันคุมมือแต่ทุกงหมดนี่เฮ้าว่เอาชีวิตเฮ้าเอาเฮาจะเอาเงินเฮ้ากรแลนไปตามเงินเพราะคู่ถูกหลอกไปสี่สปีนะบุญเก่าเหตุไหนเฮ้าอยากได้ยังกระไดหมดแล้วคําตอบคือว่ามันโมแมนความสุข แต่ถ้าพี่น้องเขาใช้ชีวิตแล้วเนี่ยไอ้หยิบก่าเซ็เท่านี้มันคงที่สุดพี่น้องฟังนะพอครูตอนระเบิดเห็นบนเงื่นกลายเป็นกระดาษเงิ่อนนี่เป็นส ม, มุิประโยชน์มันคือเออมันมืดไปจุดไฟขนา้น่นนะมันกินบ่ไรไอ้เงืน่นเวนูเาล่าตอนนี้เป็นเศรษฐีน้ำมันพี่น้องตอนนี้เงินเต็มถนนเลยนะเงินสื่ อ, อยังบ่อร ถ้ายังเดินกันเป็นแบบนี้แหะต่อไปเขาก็เป็นแบบนั้นที่นี่เป็นแบบนั้นคนในเมืองตายหมดไผอยู่ใดพวกเขายู่ใดพี่น้องล้านค้าถูกป้นสะดมหมดอ่ะขากันเวินุษณายัางบวเลิกเด้ไฟกับบมีนามกับบมุมีอ่าพอบุมีเงินทุนเหรอยังเป็นง่อยหมดคนโบราณเข้าในเกษตรกรเนี่ย เขาสอนว่าลงทุนลงแรงลงทุนโดยใส่แรงงานลงทุนโดยใส่แรงเฮาเป็นทุนทุกวนนี้ลงทุนถามไมมีเงินบุ๊เป็นหงอยมคอยผมมีทุนคนไม่มีทุนที่นี่เขาไปกู้หนี่ยืมสินมาเป็นทุนแล้วไม่เหตุแล้วเขาบ่กข่อยชีวิตเมื่อลงทุนแล้วเขาขยันเขาขาดทุน เขาก็ไปฟังเขามาสบอกเขาว่าต้องใส่ปุ๋ยยี่ห้อนั้นใส่ยายีา่ห้อนี่โน่นโน่นนู่นนี่นีน่ก็ใส่ต้นทุนเข้าไปที่นี่เวลาขายเนี่เขายานเขาเมือยเขาก็ตั้งราคาไงเฮาพี่น้องเขาจะอยู่ได้ยังไงที่นี่คําถามสันส้นๆว่าเฮ้ยยังไงเดยอะไปเบิงพี่น้องแต่อย่าพึ่งเฝ้าคิดแม่นแล้วอย่าคิดแห้งเด้อพอคูจะได้ยินเขาคิดเด้ โบมันแอบฟังเนี่แอบฟังนี่ผิดศีลนะแต่มันได้ยินโดยบต้องแอบเนาะถ้าเขาคิดต่างเขาจะบมีแห้งถ้าเขาบก้าป ร, ารปับปรุงน ะ, กะเกษตรสมัยใหม่เนี่ยเขาประสงการสมัยใหม่แต่ว่าบไม่โบใดมันจะบีบสังคมสิมบลมันบีบไปเท่าต้องต้องเหตุถ้าเขาบกา้าคิดแบบใหม่เหตุแบบใหม่พี่น้องเขาอยู่เนีเป็นสองส่วนพี่น้อง ส่วนหนึ่งเห็ดมาอยู่เห็ดมากินเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะอีกส่วนหนึ่งเขาต้องมีส่วนเกินเนาะให้มันอยู่ดีกว่าเกา่าทุกมันนี่ตรงใจคาไฟหนีสินมันก็เผอไปสางสางแล้วอย่าไปย่านหนีพี่น้องอย่าไปย่านนะแต่ต้องหู้จักใส่หนีนั่นให้มันออกลูก่ออกหลา น, ห น, านเหี่ยวเนาะเศรษฐีมหาเศรษฐีโลกกับมี่หนีแห้งหนีหลายกว่าเฮ้าอีก เขาไม่นีหมื่นแสนเขาเป็นหนีเป็นหมืน่นหมื่นล้านแสนล้านเพราะว่าเขาก็ต้องไปกู้หนีมาเฮดแมันใหญ่ขึ้นเขาก็เครียดเข้าก็เครียดแต่พกู้สามสิปีโบตรงเครียดนะพรากู่โบตรงมีหนีมีส่วนเกินมาหาศาลแบ่งปันเนาะจะไปเบิ่งว่าเฮดยังไงอันดับแรกพระกู่แนะนําว่าในไหนหลวมตัวมานี่แล้วต้องหัวมาเฮดหนัง มาเบิงหยัง่งเวนเบิงชื่อเสือไ่ได้ปัญญากับบ้านเสียเวลาบ้านเมืองพกูอ่อนซ้อนเน๊เมื่อกี้นี่ไม่ชี้เฮากันนางเบิงนะพี่น้องเกษตรกรเฮาทุกมนีมีโอกาสนางโค้ชสองสัน้นติดแอมาเบิงงานนี่หน่วยงานบรรทุมเท่เฮาขนาดนี้แล้วมาแล้วต้องให้มันได้ยังกับบ้านต้องได้ปัญญากับบ้านบพราะนหู้แล้วเห็นแล้วกลับไปก็คือเก่าเฮาเสียเวลาชีวิตชื่อเือ ต้องกล้าคิดแต่ว่าอยู่นี่พันเห็ดไงพออียงเอาพเพลียงคนพันคนไงแต่บ้านเฮาเลียงจะค้น่ะเลียงซีหาคนเคยเห็ดซ้ำพ่อเฮาแต่ต้องเห็ดแต่บเมื่อไหรแล้วแม่อแล้ ว, ลวก็ไม่เห็นอย่างเลยหรอมันจะมีเบื่อเหรอมันจะแก้ปัญหาได้พี่น้องเราต้องงานนี่มันหลวมตัวเห็ดไปแล้วทุกคนนั่งได้นี่มีหนีหมดนั่นแหละหนียังหูบอ แบกมาตั้งแต่ชาติก่อนเลยนะเกิดมาเมื่อแรกเด็กหน่อยมันเกิดมาเมื่อแรกมันหัวล่อหรือมันมันห้องไห่เฮ้ยดีใจหลีไว้่อยเกิดแล้วมันหัวมันห้องไห่เห็นอย่างมันห้องไห่เห็นอย่างไม่ต้องดีใจที่คอยเกิดแล้วคอยยิสระอยู่ในท้องแม่อึดอัดไปใสกระบไดมันออกมันมันห้องไห่เห็นอย่างมันหูว่าจากนี่ไปข่อยทุกแล้วอยู่ในท้องแม่ อบอุ่นปลอดภัยโบหู้ฮ้อนโบหู้หนาวโบต้องทํามาหากินคลอดปุ๊บสัญชาตญาณมันแหกปากห้องเลยทุกพรเกิดแล้วเห็นไหมเพราะเท่าม้าลุกกโงยนั่งกโงยอ้าวทุกพรเท่าแล้วเด็กดอยขี่มอเตอไซคสิ่งตาตาตาโค้งขาหักเข่าล่องบานโอยโอยโอยมันเคยฟ้อนล่ำเข่าล่องบานมาคอยดีใจจังเลยเนี่ยคอยขาหักนี่ทุกข์เพรเจ็บแล้วแมนบ่ เมื่อสิตายก็ทุกอีกตายโบลมยังห่วงลูกห่วงหลานห่วอย่างนี้สองมอืตัวแข็งงดเนาเหม็นเลยคนที่ตายอยู่นี่ไว้จักปีกับโบเนาพี่น้องเร่เรียเร่ยนี่พึ่งเผาศพนะนะเมื่อแรกคือ น, นอนยิ้มเลยเอาเข่อไปล่องเย็นเมื่อตรงที น, นี่ตายเมื่อตรงฉีดยาโบมิกลินเมือ่อจะเผาเปิดออกมาเนี่ยิ้มปากแดงกว่าเกาหนาสีชมพูคิ้วดำออกมาเล็บเงาขึ้น นี่ค้นปฏิบัติธรรม <c oughs> นะแล้วเป็นยังไหนที่ว่าเออไปยังตงมาปฏิบัติธรรมนอพี่นอนมาเตรียมใจใจเขามมแต่กิเลศถ้าเขาบ่ฝึกจิตตัวจิตปัญญาของจิตจะคุ้มคว้างอยากของใจนี่ละที่นี่เขาเหตุเกษตรเนี่เขาจะเห็ุเกษต ร, รแบบมีความสุขพอคู่มาปีแรงเนี่ยบังคับให้ครอบพ่อใหญ่ปู่บักม่วงปู่บักขามปู่บักมี ปลูกผลไม้ผลไม้ยืนต้นก่อนที่มันกินได้ระยะ ย, ยาวอันนึ่เขาเรียกว่าแผนระยะ ย, ยาวเราปลูกแผนระยะกลางเอียงระยะกลางยัะคุงกล้วยนะอันนี้ระยะกลางเราเสร็จระยะสันปลูกพักกินได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอี๋ยังยังยงเนี่ยเขาต้องสร้างปัจจัยสีเฮ้าที่นี่ยากระบาฉีดปุ๋ยเคมีกระบาต้องใส่ตอนนี้ไ้แรมท้องเนี่มีภูมิคุ้มกันโรคโดยธรรมชาติ มันก็มีแมลงมุ้มมีแมลงที่มันกินแมลงแมลงมากมันก็กินกันเองถ้าฉีดยาปุ๊บแมลงที่มันมันมันมันคุ้มแมลงมันก็ตายหมดเขาไปทําลร่พุ่มคุ้มกันนี่แหละชาเขาไทยแบบธรรมชาติพี่น้องมันจะมีอีกอย่งควบควบคุ้มกันอยู่เขาก็บาดดองไปลงทุนเสียขาทุนเรื่องปุ๋ยเคมีเรื่องยาปราบศัตรูพืชแล้วร่างกายเขากระแข็งแรงแล้วมาปฏิบัติทรำบ้างฝึกจิตบ้างเนี่ยศูนย์จิตใจ ศูน ส, สมองลูกหลานเกิดอยู่นี่เฮี้ยนฟี่ต้องพัฒนาหูเท่าท่านโลกสอนลูกหลานอย่าไปตามโลกตามไปวบวันท่านตอนนี้เมืองไทยเขาโรงเรียนนี่สอนลูกหลานให้แกไปใส่รุ่นใหม่ใส่รุ่นใหม่เก่งรุ่นใหม่แต่สางรุ่นใหม่วัวเป็นเนี่เป็นแค่คะทาตเขาเขาสอสอนลูกหลานเขาไม่สางรุ่นใหม่มันผิดไปหมดแล้วอเ น, นี่ยศูนย์สมองแด็ศูนย์ปากทองเดี๋ยวผี่น่องยางไปเบิ่งเนาะ เรากลไปเบิ่งทีละทีลจุดเพราะว่าเวลาเหามันจํากัดเอาเป็นว่าอยู่เดทอยู่ไกลๆเนี่ยพี่น้องจะมา่มือเหิงก็ได้นะเทศว่าโทษมาบอกเขาแน่เขาจะเตรียมที่พักให้อยู่นี่ไม่ต้องตีตัวเขามาอยู่ฟี่กินฟี่ปฏิบัติทํามฟี่เฮียนหูฟี่ทุกมนีพ่อคูแม้กระทั่งไปเล่าพี่น้องไปเบิ่งสวนสตอเบอรีมันญี่ปุ่นเป็นคนไปเห็ดนะ่ย คาสือปีไปเบิ่งสวนจะซสือหก0มืนกีบสองรอยกว่าบาทมีเตอเงื่นหมดอยู่นี่บุแมนให้พี่น้องมานะมิตรวัามาเป็นกลุ่มนี่ต้องบอกล่วงหน้าเดี๋ยวพี่น้องม่วมียังจะกินบอกล่วงหน้าเดี๋ยวขั่วก็เตรียมอาหารให้กินเนาะปฏิบรรัติร้อยู่นีม่มาเมื่อปฏิบรรัติถ้ำเตรียมจิตเตรียมใจแล้วก็ม่าปล่อยมุน่นภาวะออกไอสารพิทินมัน วิธีเขานี่มันเอาออกได้เมื่อร่างกายจิตใจแข็งแรงเนี่ยแล้วพี่น้องมีปัญญาไปเห็ดเกษตรเนี่ยเห็ดย่างมีความสุขบ่ ม, มีเงินก็นสุกได้ความรู้สึกสุขใจทุกใจเป็นเรื่องของจิตวิญญาณบ่เป็นร่างกายเงื่นเต็มบานถา้าบ่พอใจก็ทุกอีกนะความรู้สึกทุกรู้สึกสุขเป็นไปนเรื่องของจิตวิญญาณนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมนะอันนี้เขามาเริ่มต้นจากศูนย์จิตใจ แล้วเดี๋ยวพี่น้องก็ไปยางไปเบิงศูนย์ปากทองแล้วก็เดี๋ยวก็ผ่านโรงเรียนเข้าี่ศูนย์สมองนะสามศูนย์นี่เอื้อประโยชน์กันนะครอบครัวอยู่นี่ลูกหลานก็บโบตงห่วงนะเฮี้ยนจนมันขี่ขานเฮียนคอยมันตั้งใจมูนทิทีทรงมันเฮี้ยนโบต้องไปกู้หนี้ยืมสินเฮี้ยนพอจบมาโบมีงานในีเขาเห็ดเบียกับไปฟ้องเขายึดทรัพย์เขามีประเทศกูมีประเทศมันบ่นนคอยมีหรอประเทศเดียวเลยหรอ เขาต้องส่งเสริมลูกหลานเขาเฮี้ยนเมื่อเขาเก่งแล้วก็กระสางชาติเขาก็เสียภาษีให้บ้านเมืองนะนั่นแหละพี่น้องพอกูต้องใส่เวลานิดหนึ่งต้องจูนให้เขเข้าใจว่าเพามาเฮ็ดยังมันคุมเสียเวลาบอมื่ต้องไปใดปัญญากราบบ้านมาเป็ น, นไดขัว้วมูอเออหู้แล้วหูแวห้แล้วหู้แล้วจเจ้าเฮ็ดยังสูตญยังสูญ ย, ยังสมัยโอท็อปสมัยก่อนใหม่ๆพี่น้องพอ ก, กู้กระสางงานให้ชาวบ้านเนี่ยโอทอปในซดาวหาดาว เจ้าก็ไปเหตุหว้เจ้าก็เหตุไหว้เจ้าก็เหตุไหว้ทั้งประเทศนี่มิได้ว่ายนะแข่งกันตายไหว้วอดหมดล่ะเพราะว่าไปกอบปี้เขาไปเลียนแบบเขาเขาเบิงเออหู้ล่ะเพราะถองพัฒนาดีกว่าเขามวนไปจดสูตรเขาก็เหตุตามเขาอันนี้เป็นแค่ผู้ตามชุดไทยแข่งกันตายพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องไปย่างเห็นเอียงแปลกๆพวกกู้ปเหต์คือผู้ใด ขเขาบอกเงแล้วจะเหตุราำพระคู่เน้ต้องเหตุ ด, ดีกว่าพระคู่นั่นแหละคือการพัฒนาไอ้ไปเลียนแบบเขามาเนี่ยบริการพัฒนาทุมบุณีนักเรียนเท่าบุญเปนนักเรียนดูเน้เป็นนักเลียนแบบไปเรียนแบบเขามาัานนามมาล่ะก็ปีเขามามันบริการมันบริหารยังดีขึ้นมันบริหารหุห่ยยังเลยตอนนี้อินเทอร์เน็ตมันไปหลงคอมพิวเตอร์พระคู่สางคอมพิวเตอร์นี่เป็นคนภัยกลุ่ม แ, แรกเนี่ยพอดีคอมพิวเตอร์ขายโ่รโลกพี่น้องตอนนี้เขาไปหลงอินเทอร์เน็ตนะ อุ้ยมันเด็กหน่อยมันเขาอินเน็ตมันหูวงวดเลยแม่วอาค่ำนึ่งแม่เยสิโบหลายเจ้าเขาอินเทอรนเตกับบวเป็นเต้าล้านปีตอนบัฟังแม่แล้วมันบอกหอยเฮี้ยนสั้นสูงแล้วแม่เฮี้ยนสั้นต่าแม่วอาค่ำนึงมันเสียงมาสิบค่ำนี่แหละแห่งเฮียนแห่งโง่โง่จนโมยกับแม่โมหัวเรื่องไงทุกมกันนี้มันมันเป็นหลงความูมันมุ้ีปัญญา จบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ทั้งภาษาศาสตร์ออกมาคุยกันโมโงภาษานั่นแหละความหูมันไม่มีปัญญาที่จะใส่คว่ำใส่ภาษาบอกกันให้มันหูเรื่องอทุกคนบอกกันเข้าใจภาษาอังกฤษใส่คําว่าวินวินพี่น้องครับในชุมชนเฮาเนี่สมัยก่อนเฮาสามะขีกันพอไม่อย่างปุ๊บผู้ใหญ่บ้านตีละฆังกังกังกังบอกเออมาพัฒนาซอยกันล่องแขกล่งแขกล่งแขก ตอนนี้เป็นอย่งไรพี่น้องเขามีทีสิบไรยเนอะมิทีสิบไาย ล, ลูกหาคนผู้หนีแต่งงานเอาไปสองลายคนหนีแต่งงานเอาไปสองลายสองไรยสองสมัยเขามีสิบลายลูกหาคนพ่อแม่สองคนก็เป็นเจ็ดคนเสียแลงงานแม่ผู้เดียวเนี่ยเขาไม่ได้ขั่วจุดเตาเตาเดียว หนึ่งเขากระป๋องหนึ่งกับเจ็ดกระป๋องเนี่ใส่เตาเดียวแม่บอใส่แรงงานแม่คนเดียวอีก6คนไปซอยกันล่งแขกล่งไ้ล่งหน้าแต่ตอนนี้เขาต้องการอิสระแยกขั้วเขาต้องเสียแรงงานคนหนึ่งเสียอีเตาหนึ่งแทนที่จะเสียพลังงานเตาหนึ่งนะอยู่เจ็ดคนอันนี้เจ้าต้องเสียหาเตาก็พอแม่นั่นกับหกเตา อันนี้คือเขาไปเอาแบบพลังสมัยก่อนเขาอยู่แบบครอบครั้วใหญ่เอาละพวกคนหนุม่มคุณสาวล่ให้ยลงหน้าผู้เฒ่าก็เลี้ยงหลานอยู่บ้านเห็นปะผู้เฒ่ามีประโยชน์เน๊ตอนนี้ผู้เฒ่าถูกทอดทิ้งเด็กหน่อยก็ถูกทอดทิ้งอยู่ก็ ย, ย่ายหนุ่มสาวแลนตามเงินผู้เฒ่าเลี้ยงหลานอยู่บ้านถ้าเดือนไหนวันเดีส่งเงินมาทั้งเฒ่าทั้งหลานโมมีจะกินพอคู่มาเดือดร้อนก็ได้ตรงไปเปิดเนีเอาลูกเขามาเลี้ยง สังคมมันล่มสลายแล้วมีเงินบันรใดก็บ่ ม, มีความสุขคอยก็คิดถึงเจ้าเจ้าก็คิดถึงคอยคอยก็ห่วงเจ้าเจ้าก็ห่วงคอยแต่คอยจําเป็นคอยจ้องหาเงินเพราะว่าคอยไม่หนีตะกี้ไม่หนีก็บพ่ออยู่นั่นกันได้เนี่แต่ตอนนี้ไม่หนีหลายขึ้นอยู่บัได้แล้วว่าพ่อคาปุ๋ยคายาต้องทีมครอบครัวเนี่ยไปทำงานที่นี่ปัญหาใหม่ตามมาแล้วตอนนี้การยาล่างมีไล่หลายลูกปัญหาผู้เท่าถูกทอดทิ้งเล็กหน่อยถูกทอดทิ้ง เกิดขึ้นหลายล่ะถามว่าเขาจะหาเงินมาเห็ดหยังโบเอล่าห้หาเงินเด้นะหาให้มันพอดีโบเอลไปถูกกำเงินเอาล่างกายเข้าไปเห็ดก๊กก๊ออกก๊อกบกินโบนอนเพราะว่าง่ายมันยังโบเสร็จนะเออเพราได้เงินมาก็มารักษาโรคไข้ไข้เจ็บนั่นแหะเห็ดเพื่อชีวิต ต้องมีความสุขทุกเวลาที่เฮาเหตเหตแค่พอดีถึงเวลาเมืยกับพักถึงเวลากินกักินถึงเวลานอนก็นอนนั่นแหละคือทางสายกลางถ้าเฮาพอดีเนี่ยเขาคงมีความโลภหลายเขาคงต้องไปกระเสือกกระสนหลายพี่น้อง30สปีก่อนพวกคูมาท่านอย่างาเขาจนหมดจนทุกหมู่บ้านเขาจนอยู่ดีๆบ้านเมื่อมาพัฒนาจนเขาอยากจนพี่น้องฟังดีดีเลยเขาจนอยู่ดีๆ พัฒนาจนเขาอยากจนเอาจนมันดียังไงเอาจนบดีอย่างหละฮะจนมันบดไปตีหัวไผ่บดเอาไปนหนีไผ่เนีะ่ะมันเหมียงบดีนอนตื่นจักเวลาได้ก็ได้แต่เขาอยากด้วยเขาก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินตนนี่อยากจนแล้วยากเพราะว่ามันมีหนีแล้วอันนี้ยากจนแล้วเขายึดบานยึดซองฮะละจิตใจบดสงบแล้วเงินหมุนบดท่านให้เขาอันนี้เขาจนยืน ด, ดีดๆเขาพัฒนาจนอยากจน ทั้งมดคือพี่น้องบ่เข้าใจชีวิตคือเอยียงถ้าเขาเข้าใจเขาฟังในหลวงราชการที่เก้าเขาเนี่ยสาธุแต่ห่วงแล้วเพิ่นจากไปแล้วแต่พ่อคู่เดิมลงอยู่พ่อคู่บ้ทิมคําสอนเพิ่นถ้าเขาฟังเพิ่นฟังพุจจเจ้าสองคนเนี่ยนะออสองพระพุทธเจ้าก็ฟังในหลวงราชการชีวิตเท่าจะหมั่นคงนั่นแหละผู้เจ้าก็สอนทางสายกลางนะเฮ็ดดีที่สุดคกอยังคือพ่อดีว่า ม, มันหลายโพวดว่า ม, มันหน่อยโพด พอขยันก็เฮ็ดหลายโพดจนวลาบบนอนพ่อขี้ค้านกับโบเฮ็ดโพดจนโ บ, บมีจะกินเฮ็ดพอดีเฮ็ดแล้วร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงนี่แหละมีความสุขคู่มือความสุขโบต้องพานเงื่อนคอยกอดเจ้าเจ้ากอด่อยคอยหักเจ้าเจ้าหักคอยก็สุูกแล้วเห็นหมโบแมนอยากกินของเป่งๆกู้หนี้ยืมสินไปกินเนะ่ยมีความสุขสุขใจขั้ น, อนเอเดนสุขจอมปอมแล้วก็ไปทุกข์ไปหาเงินไปจ่ายหนี้นะ สรุปว่าความสุขตีแท้จริงคืออีย่าง arda. พี่น้องคิดอย่งไรพี่น้องก็คิดบ่ออกหรอกว่าจะได้นนกว า, วาบดบ่ได้พราะคู่พ่อแล้วความสุขตีแท้จริงเนี่ยคือความบ่มีทุกข์ความบ่มีทุกข์ตีแท้จริงนั่นแหละคือความอิสระถ้าจิตอิสระบ่ต้องกังวลอย่างเลยนั่นแหะคือความสุขอย่างยิ่งที่มันสุขเพราะว่ามันบ่ต้องกังวลอย่งเลยไผมากก็หายหาให้ยนั่นแหละความสุขแต่ถ้าเขาบ่มีเขาจะยังจะหาเขาจะไม่ออยังหาเขา พี่น้องเป็นเศรษฐีภายได้บนจักรมือเด้เศรษฐีบนมันต้องมีเงินลหลายๆเด้เนี่ยคนในศูนย์นี่เป็นเศรษฐีถ้าคนอยู่ประจําเนี่ยอยู่มาเป็นสิบสิบปีเนี่ยเป็นเศรษฐีหมดละ่ะไปบังเงินธนาคารก็มีเงินเลยนะหนีก็บผมีแต่เวลาเส้าซีชั่วโมงของเพิลนเนี่ยเป็นของเพลนหมดว่างพวกก็มากวดใบใหม่เนี่ยมีเศษส่วนเกินแล้วนั่นแหละคือเศรษฐี บนมีเงินหลายจะซื้ออ แ, แล้วก็บมีเศษส่วนเกินปัจเจียบุญนั่นอันนั้นเป็นแค่คนรวยนะพอคู่ตังพคู่ตั้งมูลธีเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลานคอยบางคนเข้าใจว่าเพื่อคนจนด้อยโอกาสบระด้ไปว่าคนจนเนียนะพวกคนรวยยุงเทพตรงมาศูนย์เนี่ยมันจะกลายเป็นเศรษฐีท่านที่เลยแล้วมันจะมีความสุขมันด้อยโอกาสในการเฮียนหูชีวิตเนาะ พอคู่กับ่มพี่หยังฝากนอกระเลยมีหนังสือเกษยียณเพื่อชีวิตพี่น้องใจเย็นๆไปนั่งอา่อานอ่อานหลายหลายรอบอ่านหลายหลายรอบโบวันไปไปเฮียนหูวิวธีสือเป็นภาพไปเบ่งงานเออวิธีนั้นวิธีนี้สูญยังสูญยั ง, ยงกลับไปโบสําเร็จพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจปัจฉญาของมันว่าเป็นหยังคือเหตุแนวนี้แล้วพี่น้องเข้าใจปุ๊บพี่น้องก็ไปปับใส่โบต้องเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดดีกว่าตรงนี้เฮ็ดตามสภาพ ยังเศรษฐกิจพ่อเพียงในหลวงว่าเออน้ามส่วนหนึ่งกันหนึ่งโบาตายตัวพี่น้องอยู่นี่พอคู่ขุดสาเนี่ยสิบเอ็ดสระโยูหน้ามศึกษาเพราะมันอยู่มันเป็นหินโบต้องขุดเขื่อนอยู่นี่สองแสนกว่าไรเดชพี่น้องก็มีน้ามยันหนั่นเพียนแต่ ว, ว่าบ้านเมืองเนี่ยบนลงทุนให้เขาอีสานแล่งนี่บนแม่นาแหล่งมันโบมีหน้ามเนี่ยพอคู่ไปทั่วโลกแล้วประเทศที่เขาแหล่งหูยังบอกนาแหล่งนี่แม่น่านมีแหงหมด ยาง่านได้นั่นแหละแรงโขงชีมูนเทาว่วเคยแรงเลยว่วเคยแหงแต่ว่าที่เทาแรงเพราะว่าเขาเป็นทีลาบสูงเทาใก่ผ้าทีเท้าห่อนกลัวจันนั้นแหละคาแก้ปัญหาแค่น้ํ า, น, านี่ยเกษตรก ร, ร, กรอีสานเทาบัเป็นคนขี่ข้างแต่เขาขยันเขาแหงเป็นหนีหลายเฮ็ดหน้าเธอหนึ่งนี่เป็นหนีเธอหนึ่งอยู่ก็ลูกเมียได้เฮ็ดสองเธออยู่บ่ไรแล้วมันขาดทุนสองเธอต้องถิมลูกเมียไปสังเกตว่าแหงขยันแหงเจ็บโต ต้องขยันแบบมีปัญญาพี่น้องนะตอนนี้พกงูอยู่โสบกกรประเทศนาที่พกูสาธุนนําเพิ่นเพิ่นอุตสาโลงทุ่นให้เฮาพี่น้องขี่รถบัสเท่ๆของม้าเน่ยนีเนาะมีแอะปล่เนาะแล้วก็ตัง้งบุปะมาณให้พกู้นี่ที่จริงแล้วอยู่นี่เนี่ยเฮาบ่เคยเก็บเงินแต่เพิ่นวิ่งโง่เปนมาเหตุบุญกมุนอุทิเฮ้าก็เอามาเพื่อให้ลูกหลานเฮ้ายากจนบ่เป็นอย่างต่างคนต่างต่างเหตุบุญ น, น้ากัน เป็นโอกาสดีเทาแต่มาแล้วให้มันคุมเสียเวลาให้ได้ปัญญากลับบ้านบวนา่อยหู้แล้วหู้แล้วสูตรยัง่คยกับโจมมาแล้วลอยทั้งรอยกลับไปบนสำเร็จต้องเข้าใจชีวิตปน็นีงเขาต้องเหตุนะสบะกอพป็นแจ้งเมื่อทั้งเจ้าหน้าที่นีว่าเอาล่ะคนหนึ่งมีซีบไรให้จะได้ให้ยูได้พี่น้องครับงานหนึ่งก็ยูได้่ต้องซีไรแค่งานเดียว สมัยพกูเกิดอยู่บนหลุบเซลพกูกับคนย้วนหลายคนเวียดนามอยู่ตอนนี้ที่เขาทางเป็นโรงเรียนเบนเนั่นแหะแถวหนึ่งคนคนย้วนเขาอยู่หลายนอะอยู่หลังบ้านเขามีทีแข่งงานหนึ่งพี่น้องเขาเลี้ยงลูกเขาจนจะเลื่อเติบโตบังเกินเขาอยู่ใกล้ตลาดพี่น้องเขาปลูกพักเขาใส่ขี่คดเนื้อนี่แหละมันเป็นปุ๋ยหลบอินทรีย์หลีเลยแหละ เขาเก็บพักไปขายตลาดคู่มือพี่น้องมีเงินมาทุกมือเก็บทุกมือก็ปลูกไปหมดเแครงงานหนึ่งเขาเะเขาปลูกได้หลายจะเอาไปขาดทุนมือเปล่ า, เ, ลาเดี๋ยวประคูณจะโช่วยให้พี่น้องเห็นเอาละเป็นโครงการอย่างห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารโครงการข้นหักไก่เนาะเขาหักมันเขาเลี้ยงไก่ไข่นะสักสีโตก็พอพ่อคนหนึ่งมีสามคนเลี้ยงสีโต เผื่อมันบางตัวมันก็บอกออกไข่มื่อนึ่ ง, ย, งย่างน่อยได้สามพวงเฮ้าเด้กินโปรตีนคู่มือต้องบ่กขาดโปรตีนนะนะอ า, อาหารถ้าเฮ้าขยันเฮ็ดเองได้หมดละ่ะเนาะเอาเลี้ยงไก่ไก่มันยันเป็นหนีเฮ้ามันก็ออกไ ข, ข่เฮ้าจ่ายคาอาหารเฮ้าคู่มือที่นี่มันออกดอกเฮ้ามันก็ขี่เฮ้าขี่นั้นประดุกก็กินเนี่ยบอแค่์สามเม็ดพี่น้อง ปดุกได้พันโตปราดุกกินกินบมวัดปุ๊บมันก็ผสมกับขี่ประดุกนำ้ำเนี่ยะไ ก, มก่มันก็มันก็หักป่าเห็นหป่าปลามันก็หักพักฮะก็ไปเลี้ยงพักพักกับหักคนนี่มันเป็นรูปคอยหักเจ้าเจ้าหักคอยบอ่ทเนี่ยคือซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้านาแค่นี้นะแค่นี้กับพ่อนะ เขามีอยู่มีกินทุกมือแล้วเออมีปลากินเอาเพชปลาแดกก็ได้นะไปปิ่งปลาแงงก็ได้แม่มแบ่สบอสต้องซื้อบอต้องใส่เงินถ้าเหลือแบ่งขายเอาบอพอบังเครื่อก็ล่างถังแม่บอสขี่ปลาขีไ่ไก่กันไหลลงไปเนี่ยพอคูล่องซับเบ็ดเลยพี่น้องอันนี้น่าสนใจเด้อันนี้ฝากพี่น้องผู้ใดเคยเห็นได้ ทุกวันนี้มเมลอนน่มันขายกิโลละรอยขึ้นบางเทีสองร้อย200ถ้าไปกรุงเทพแบบสองรอยดูกหนึ่งกิโลครึ่งนะเออถ้าสองร้อยกิโลงึงกับสามรยนะถ้าคิดกิโลไอ้อยหนึงทุกๆลอยลอ ย, ลอ ย, ลอยหาสิบบาทพอคุณไปเบางงานมองไนมันก็นใส่ปุ๋ยเคมีฉีดยาอย่างแบบนี้ยูนี่ไ่ต้องปุ๋ยขี้ปลาเนี่ยดีที่สุด แต่ถ้าเขาเลี้ยงปลาในในสานเนี่ยมันเอาฉีปลาขึ้นมาใส่บะได้ต้องเฮ็ดกระสั่งปลาพี่น้องถูกที่สุดในโลกเดี๋ยวไปเบิงนะอันแรกของโลกตะกี้พกคูก็ใสบอกภาษาที่เขาอัดกลมๆมาเห็ุถึงจะห้อยอิดก อ, อก่ะสาเนี่ยต้นทุนกันยังแพ่งตรงมาฉาบตรงเอยียงแบบเนียอันนี้พี่น้องนี่เอาเอาแผ่นเล็กนี่นะไอโรงงานมันแหลมมาเบิงเมีพพกคู่นี่เป็นผีบาสังมเมเทีดเนี่ย มันงอมานะ่ไห้น่ะงอปุ๊บตั้งมือนึงก็แล้วยาตรงหัวมันที่นี่ขี่ปลากระไหลลงไปเอามาใส่ประโยชน์ได้นะกําเซิ้นก็เลียงไก่เนาะตรงนั้นก็เลียงปาลาล่ะที่นี่ปลูกพักมีสองชนิดอันนี้พวกคู่พึ่งพึ่งล่องนะอนะเดี๋ยวพี่น้องไปเห็นมองนึงเนี่ยเป็นพักปลูกแบบทั้งตั้งทั้งตั้งพี่น้องเอาทอพี่พี่สนิ้วเนี่ยมาจ่อหู้จ่อหูจาอหูอหนะเสียพักเข้าไปนะ เออกระปอยน้ารุ่งทั้งไตมันกระไร ล, ล, ลงมาไหล ล, ลลงมาปลาปลาก็ได้ออกซิเจนเนาะนะขี่ปลากรเลียงมันเลีย ง, ยงไปเลียงมาอันนี้หนึ่งเมตรเฮ็ดห่างขึ้นมาหน่ะรงทุนว่าไหลพี่น้องอุ้ยบอมีทุนมีเงินสื่อมอดจะใส่มีเงินสื่อรถยนต์มี่มี่ตรงมี่นะสว่ารถกระบะคันหนึ่งไปพ่นมันเนี่ยเอามาเฮ็ดโครงการนี่พี่น้องกินไปตลอดครอบพวระบบหมงโอเคอันนี้ เลี้ยงไก่แคร์ซีโต้เนี่ยเขาอยู่กินที่นี่ขี่ปลาไปนนลงทุนเฮ็ดลงเลื่อนตอนนี้รัฐบาลก็าส่งเสริมไม่ได้พี่น้องนะโครงการเขามีได้ว่าพวกเขาบางเทือเขาบัถึงด้นนั้นแหละลงทุนเทเล็กเฮ็ดลงเลื่อนเนี่ยปัญหากเกษตรกรเท่าตัว น, นี้ปัญหาหนักคือว่าเขาเจอมแมลงโรคพายไข่เจ็บสมัยก่อนพ่อคู่สร้างหลายเฮ็ดฝืนธรรมชาติหลังจากพ่อคู่ลุยเองแล้วว่าโอ้มันมันหนักหนาสาหัสอีหลีตอนนี้ สิ่งแว่ล้อมมันเปลี่ยนเขาไปบุกปา่าบ้านของมแมลงป่ามันกันดานเหล้วมันก็ออกมานี่คือผลของกับเนี่ยกับมากินสวนกินไฮเเข็ต้องกลางมุงให้มันเขาเหตุไปสองรุ่นนียพี่น้องพราะครูปลูกหลายอย่างอันหนึ่งปลูกในานหนำเ ม, มลอนนะเดี๋ยวให้ดูผลนิกนี่เพ้นว่าช่วงนี้จริงๆเรา บ, บูรับงานพาคู่เบรกเพื่อจะ ต๊แต่งให้มันครบสมบูรณ์นะต่อไปจะเปิดให้ทุกคนเข้ามาพิจารณาตอนนี้สบกเพิ่งเคยมาี่นะเพิ่นบอกเพิ่มเขาเขาปดีเซเบอร์อไรเขาต้องซอยกันนะแต่ไปเบิงสมัมถีมันมีพี่น้องที่นี่ปล่อยขีป่ปลาไปพี่น้องลงทุนนิดนึงเนาะทุกวันนี้บอสใช้เทคโนโลยีสมัยเขาต้องมีปัม๊มนะแล้วก็ตั้งนาฬิกาให้มันโบแพงพี่น้องโบแพงถูกกว่าไปซื้อมอเตอร์ไซค์ถูกกว่าไปซื้ อ, อร ถ, ถ ก, ก, อกระบะพอนจงนี่นะตั้งเวลาให้มัน ตอนเศร้าปุ๊บมันก็ฉีดน้าไม่เข้าตอนเย็นก็ฉีดน้าอีกเทธอหนึ่งเขาก็เวลาไปเห็ดอย่างอื่นได้นะตั้งเวลาก็บอกเด็เปลืองน้าที่นี่ต้นไม่นี่สัตว์กับยายมีชีวิตพืชไร่ก็มีชีวิตเนี่ยมันต้องชอบเสมอต้นเสมอไปนะทานน้ำพอดีปุ๋ยพอดีอากาศพอดีนะ่ยมันสมบูรณ์แน่นอนแต่ว่าเขาป้องกันเรื่องมแมลงให้มันบรต้องใส่ยาฉีด พี่น้องกะลัอยูเล้าเนี่อิโตนเขานะสมัยก่อนเขาปลูกดินเขาดีเขาไม่ต้องใส่ปุ๋ยคนไทยให้ก่อไปสอนเขาใส่ปุ๋ยเพราะเขาจะได้ขายปุ๋ยให้เขาใส่ยาฉีดให้เขาตอนนี้กะลัมล้าก็ต้องระวังมันเป็นพักที่มันดูดเอาสารพิษเขามาลายนะหลอกให้เขาขนมาถึงช่องเม็กพี่น้องกิโลละบาทบ่ขายมันกะเนา ราคาดีดีสุยก็ตอนนี้กันเจ็ดแปดบาทซะเจ็ดแดบาทก็ยังบ่ได้อีกย่างแต่ถ้าเขาปลูกกระลำอินทรี่พี่น้องเจ็ดสิบบาทเขาจะไปปลูกยจาไปขายของถูกพี่น้องต้องขายของแพงแต่ของแพงนั่นต้องดีตอนนี้คนมีเงินเขาเขาบ่าได้แค่เพรอเขากห่วงสุขภาพเขานี่ย嘛จากอันนึงขายบาทหนึ่งอันนี้ขายเจ็ดสิบพี่น้องมันเช็คเท่าล่ะแต่เขาต้องลงทุนลงแรงต้องกล้าคิดเ็ดแบบใหม่ นั่นแต่ทีแค่งงานนึงเดี๋ยวพี่น้องไปบูมนะปลูกเมลอนนี่ได้ประมาณเกือบ300ลอยหน่วยใส่เวลากี่วันปุ๊กฮะกี่วันใส่เวลา80มือบวกถึง3เดือนพี่น้องเอาล่ะลงเลื่อนนั่นเอาหน่วยหนึงลอยบาทกรับพ่อ สิบหน่วยพันหาล้อยลอยโดยหมื่นหาล้อยเหมือนหาพันสามโดยน่วยกสีหมื่นหใส่เวลาสองเดือนกว่าเขาบนเป็นขายลอยหาสิบถ้าเขาเบนของเขานี่อินทรียหลีเนี่ยนะบางคนเขาใส่ปุ๋ยอยู่แต่เขาบดฉีดยาจนนั้นละ่ะมันโมแมนอินซีมันก็ดูดซับเข้าไปในเนื้ออาหารอยู่แล้วอันนี้ขายสามลอยกับหน่วยหนึ่งแล้วทุกวันนี้พี่น้องถ้าขยานนาันนะเฮ็ดนะเออ เขากิดบรรจุพันธุ์ง่ายๆทรงทั้งไปเนีตอนนี้ค้นเศรษฐีเขาโท่มาสั่งเขายินดีใจายคานทรงมือนี่หอดมืออื่นตอนนี้ของสวนเขากิดขายได้ไปทั่วประเทศไทยต้องเพิ่งลูกหลายมันมันเฮียนู้เรื่องเนี่ยว่ต้องเฮ็ดหลายเฮ็ดหน่อยๆแต่ว่าให้มันได้ไลหลายของดีที่ต้องขายแพงแต่มันแพงมันก็ต้องดีเขาจะไปขายมันมันมันมันได้ขายอยู่ได้เฮ็ดได้ขายแต่เขาวันน้มีเงืนเหลือเฮ็ดงานหลายแต่ว่า ว่าไรยังไงอันนี้เฮ็หน่อยๆถ้าให้มันดีๆนะเดี๋ยวพี่น้องไปสำรวจนะแล้วก็ถ้ามีกําลังน้าถาร่วมกลุมกันได้นะพี่น้องนี่ที่นี่มีโรงงานแปรรูปเดี๋ยวพี่น้องออกจากนี่ปึ๊บเขาก็มีน้ำปนะเลี่ยงเนาะเดี๋ยวโรงงานเขาก็มาแจกบักกล้วยแปรรูปเขาเนี่คนละซองคนละซองนะจากกล้วยนี่แท่งหนึ่งร้อยบาทเครื่อหนึ่งนเานาะเฮทแฮมเป็นหลายพันนะ คนกลวกัวคนหนึ่งกลัวจะปลูกเดีเครื่องหนึ่งเป็นปีปีกลัวก็ได้เครื่องหนึ่งเลยตัดถิ่มได้ร้อยบาทร้อยบาทก็ยังดีนะแต่ว่ามันสมบูรณ์ถ้าพอสมบูรณ์ก็ได้ยี่สิบสมสิบไปขายของถูกเห็นอย่างแต่เขาต้องแปลรูเดี๋ยวพี่น้องไปยางเบิงเขาประกาคิดมันบม่ได้มีหยังก็ถอดคือบานเทาธรรมดาเนาะแต่มีตะเครืองใส่ถุงมะเหนียมีเครืองเป่าล่มก็ไปปื๊ๆ ถูกก็ไปสื่อรถมอเตอร์ไซค์สื่อไปสื่อรถกระบะเอามาทํามาหากินบมดีบบอกเมื่อมันไม่เงื่นแล้วจะสื่อรถจะขั้นกับจังไปสื่ออันนะอันนี้แลกเปลี่ยนนะบ่มีผู้ใดสอนผู้ไหลมีแต่ว่าพกคู่นี่ทายทอดประสบการณ์แต่ถ้าพอเขาสนใจทํามันเนี่ยมาว่ากันที่หลังน่ยมาเอือกนก็ได้พี่น้องอยู่นี่บ่มีมือหยุดบ่มีวันเสาร์อาทิตย์บ่มีวันพายังพระคู่มือเป็นพระผู้ให้ปฏิบัติธรรมทุกมือเศ้าสายบลายเย็นเนาะบ่มีมือยุด นะพี่น้องยูเดตใกล้ๆนี่เหมือนได้จะมาพักพรมาเบือ่อชีวิตหลายอยากคิดสัน่นมาอยู่น้อพวกคู่มีอยู่มีกินนะมีปฏิบัติธรรมนะมาฝึกว่างแล้วก็กลับไปสมองปลอดโปร่ง จ, จะได้ไปเหตุกิจกรรมถิ่นมีความสุขนะพวกคู่กับบอยากรบกวนเวลาหลายเกินไปนี่ครับรบกวนหลายเพราะแส้ง่ละนะก็ขอพุณครับที่ไม่เยี่ยมนะ อ ย, อ, อยู่นี่มันมีคําว่าเก่งใจอยู่นี่มิตรจิตนะเป็นจิตที่เบิกบานจิตที่เมตตานะหลังจากนี้พี่น้องก็เดินไปตรงโรงอาหารนะครับไปดื่มน้ำก่อนแล้วก็มีเจ้าหน้าทีเขาจะผ้าหยงางไปที่รัฐานเนาะเรางจางสักพักหนึ่งเขาจะกลับมากินข้าวอยู่โรงอาหารโอเคครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญเชิเชิญสวัสดีครับ